ตรงนี้ต้นทุนคําว่าต่ำกว่าละคือว่าต่ํากว่าต้นทุนใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่รู้ราคาต้นทุนเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าขาดทุนจริงหรือเปล่าเป็นบุญจริงหรือเปล่าขาดทุนตรงนี้คือบุญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือยังไงต้องรู้กับทางโลกก็คือต้องต้องมีตัวเลขต้องมีบัญชีคิดต้นทุนได้แล้วก็ต้องบอกว่ากำไรส่วนนี้ฉันเอามาทําให้ขาดทุนที่ตลาดอริยะตลาดอริยะของเราคือตลาดตลาดบุญนิยมเราเนี่ยเรียกตลาดอริยะก็ได้ เพราะเราไม่ไม่ต้องการให้เป็นเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลให้เป็นสาธารณภูมิคี น, นี้มันต้องใช้ต้นทุนไปไปบอกว่าเราเราต้นทุนเราเท่าไหร่แล้วกําไรเราเอามาทําให้ขาดทุนจึงเป็นขาดทุนที่หนึ่งฟ้าว่ามันมันจึงกลายเป็นบุญอันนี้คือการพิสูจน์ต่อชาวโลกว่าฉันเปลี่ยนมาทีละขั้นละขั้นเราเราทาให้ต้นทุนต่ํำไหมครับวิธีทางโลกคือการเบียดเบียนโกงแรงงานแต่เราเนี่ยสละแรงงานเพื่อเพื่อเห็นไหม ก็คือทำให้ให้แรงงานเป็นแรงงานจิตอาสาอันนี้เราก็ต้องบอกโลกได้ว่าแรงงานอาสาของเราเนี่ยคือการทำให้ต้นทุนต่ำวันถ้าเราไม่แสงบัญชีตัวเลขที่ต้นทุนว่าเราประหยัดแรงงานค่าแรงเท่าไหร่เราไม่คิดตีราคาเราแต่เราบอกว่าพิสูจนได้เห็นว่าต้นทุนเราต่ำเพราะอะไรใช่ไหมครับเั้นยังไงก็หนีไม่พ้นตัวเลขเห็นไหมครับที่ที่หนึ่งฟ้าพูดที่คือ3ขั้นตอนที่พวกเราทํามา30ปีแล้ว แต่ว่าถ้ า, าไม่มีตัวเลขบอกพวกผมก็จะเห็นพวกผมนี่ฝึกการอ่านที่ตัวเลขแล้วก็ไปขายหุ้นนี่ความโลกเขไปขายตลาดหุ้นเก่องอะไรแต่เรามาทําลดการเก่งกําไรมาที่ตลาดอัลิยะเราทํากลับกันกับตลาดหุ้นใช่ไหมครับตลาดหุ้นอยู่แถวนี้เก่งกำไรกันน่าดูเลยแต่ท่านพ่อพ่อท่านให้ ท, ทําวิธีนี่ให้ตัดกิเลสที่นี่เห็นไหมครับมันวงจรนี้ก็อีกวงจรหนึ่งของของอาศกไอ้นี่วงจรของชาวโลก แต่อโศกทำขั้นที่หที่7็ใช่ไหมครับคืออันเนี้ยที่สําคัญที่หนึ่งฟาพูดนั้นยังไงก็ต้องมีตัวเลขใช่ไหมครับก็ท่านอื่นครับไปจนขั้นที่ห้าขั้นที่ห้านี่สําคัญนะครับเพราะว่าอาโศกนี่มีความต่างคือตรงเนี้ยขั้นที่ห้านะครับอโศกทําไปถึงบุญนิยมแล้วตัวเลขต้องที่เห็นว่าเป็นตัวเลขเป็ น, เ ป, นเป็นบุญได้อย่างไรแล้วเปลี่ยนที่ตลาดอริยะอย่างไ ร, อ ย, งไรอย่างนี้ก็ต้อรงต้นทุน ของแต่ละบัญชีของแต่ละสินค้าของแต่ละฐานเชิญ ค, ครับใครขั้นที่ห้าเชิญ ค, ครับครับตกลงว่าทำไม่เงียบเนี่ยมันหนึ่งถึงห้าที่ชี้แจงไปแล้วเนี่ยเข้าใจใช่ไหมชัดเจนขึ้นแล้วนะดีขึ้นกว่าเก่านะพ่อเพชรยิ้มได้นะยิ้มได้นะไม่ตู้ไปไหนแล้ว แมไปเชิญมาเลยยากแค่นี้เองแหะเราต้องทีนี้ที่ผมทิ้งไว้คือข้อหกข้อเจ็ดแล้วนะเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามีกัไรอราิยะรู้ได้งไงว่าคุณทําบุญได้ชําระกิเลสออกจากจิตแล้วแต่โยงระบบทางการศึกษาทางวิชาการให้เห็นเป็นรูปธรรมจากนามธรรม ท, ที่เราจะถอดที่พ่อท่านได้สอนไว้เริ่มจะออกมาเป็นรูปร่าง แล้วแต่ละคนก็จะประเมินตัวเองได้ว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหนบกพร่องตรงไหนยังไม่เติมเต็มตรงไหนหรือจะทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเริ่มแล้วนะครับตัวเนี้ยจากที่มองไม่เห็นแล้วว่าเรามาทําบุญอยู่กับโศกเนี่ยตกลงอะไรกันแน่ถ้าห่างสงสัยก็จะได้ชัดขึ้นเป็นหน้าที่ของการศึกษาที่พวกเราสรุปเองนะว่าเอาการศึกษานํา เพราะฉะนั้นต้องนำที่พวกเราก่อนก่อนที่จะออกไปสู่โลก1 9งเก้าสิบสามคะแนนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเครียดนะเริ่มสบายๆตกลงว่าปัญหาที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่ง่ายไหมครับห้าข้อข้อหนึ่งแทบไม่มีข้อสองพอมาข้อสามมามีอยู่หน่อยก็สรุปแล้วแค่สองประเด็นที่มันติดขัดอยู่แค่นั้นเองแหละ นะนี้เราก็ได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็คิดว่าถ้าหากเข้าใจในข้อที่6กที่เจ็ที่อาจารย์ได้นำเสนอเพื่อให้เป็นรูปแบบรูปธรรมตัวเลขออกมาพวกเราก็จะชัดเจนในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อทำนาวาบุญนิยมนี้นสู่ทะเลหอว่วมา <ไป S 1> อาสมุทรแม่น้ำ <ไป S 1> ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปอา้าวแสดงความคิดเห็นได้ตอนนี้เป็นวิชาการแล้วนะทางโลกรับได้ น, นี่เป็นความรู้แลวนี่เป็นบุญครับ หรือก็ว่าเป็นการย่อยย่อยของความรู้ที่พ่อทันเทพเป็นองรวมเนี่ยพ่อทันเทพเนี่ยลูกมันหลายนับพันเป็นอนเนกเนี่ยมันมันเยอะแต่อันนี้เรามาย่อยกันในส่วนนี้ในแต่ละส่ว น, แ ต, วนแต่ละส่วนออกมาให้เห็นชัดต้องขอบคุณพ่อเพชรเนี่ยที่ยกปัญหาขึ้นมาเราไล่ได้ถึงบุญนิยมแล้วเราไม่ได้แก้ที่ที่เล็กๆจุดใดจุดหนึ่งโชคเพชรป่วยแต่เราเห็นเริ่มความเชื่อมโยงเป็นระบบแล้วแก้แต่ละปลอก มีใครจะเติมพี่เทนบุญไหมครับเดี๋ยวจะให้น้อง3ามคนสรุปบนจอว่าจุดอ่อนจุดแข็งที่สรุปได้คืออะไรนะครับสามท่านครับครับคืออย่างนี้นะครับผมมีมีข้อเสนอนะครับคือปัญหาที่อาเดนเพชเจออยู่แล้วตอนนี้เรายังแก้ไม่ได้นะฮะคือคนสืบทอดใช่ไหมครับผมมีบุคคลนะฮะที่มีประสบการณ์ ในเรื่องนี้มาด้วยแล้วก็เป็นช่างด้วยแต่นี้อยู่ที่ความคิดเห็นของพวกเราแล้วก็ขององค์กรใหญ่ก็คือสมณะนะฮะช่างโก๊น ะ, ะช่างโก่นี่เคยผ่านการทำโรงสีมานะฮะแล้วก็เป็นช่างด้วยนะผมได้สอบถามแล้วว่าในขณะที่คุณแสงเพชรเนี่ยมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเนี่ยในขณะนี้ถ้าเรายังไม่มีตัวสุดทอดอยู่นี่นะฮะก็สามารถที่จะมาช่วยอาแงเพชรได้ นะครับอันนี้เป็นข้อมูลให้คือแก้ไขกันนับปัจจุบันเลยนะครับแต่นี้ก็แล้วแต่ทางพวกเราแล้วก็ทางาสมนะที่จะเห็นทุกคนยงไงเพราะว่าตอนนี้ช่างโก้เนี่ยเป็นช่างอยู่อยู่ที่นี่ครับผมคุยกับเขาแล้ว เราจะจบด้วยการตั้งคณะกรรมการเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาสนใจจริงให้เขามาเลยค่ะไม่เป็นไรคือเมื่อมันมีคณะกรรมการเกิดขึ้นนี่ไม่ว่าใครมีอันเป็นไปก็แก้ไขได้ทั้งสิ้นค่ะคือมันไม่จำว่าคนคนนั้นลำปากแล้วจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อทำงานไม่จำเป็นตายเมื่อไหร่ก็ได้คนอื่นเพื่อนได้ทดันที อ, อยา ก, กังวลแทนคือปัญหาของเราคือเราจะมีคําถามเลยอยู่ประจำได้ไหมนู้อยา ก, กังวลทั้งอะไรทั้งสิ้นคือเป็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นแก้ได้ทั้งสิ้นแหละไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ถ้ามีการรับรู้เป็นขบวนการกลุ่มเราต้องเข้าใจตรงนี้ดิฉันเองเนี่ยไม่มีความสามารถสักเรื่องแต่ดิฉันก็สามารถทําลงสีให้เกิดบัลลาดได้ขอคุยแบบไม่ไม่เกงใจนิดนึงว่าก็เกิดมาได้ไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยออืพูดเป็นแล้วก็สามารถหาคนมาทําได้ปัญหาของคนที่จะทํามีปัญหาอะไรก็แก้จนได้แหละก็คือเกิดได้เหมือนกันเกิดแบบนี้ นะคะเพราะฉันอยากกังวลอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้มาทำนชื่อชานอะไรเมามามาทำระเใช่เอาปู่เถานี่มีความเชี่ยวชาญคว่าจะให้มาเข้ามาช่วยได้ไรครับอ่ เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ฮะแต่มีประสบะการณ์เรื่องลงสีมาในระดับหนึ่งครับนะปัจจุบันนี้ยเขาเป็นช่างนะฮะเป็นช่างของของราชธานีอโศกเราครับอ๋อชื่อชื่อนายกำไรนะฮะชื่อนายกําไร ผมไปต่อเลยเอาเพราะว่าเมื่อมีภูเถ่าเสนอชื่อหลุงกําไรคุณโก้เนี่ยพ่อมีความชี่ยวชาเรื่องลงสีกับเครื่องยนต์น่าจะมีแนวโน้มที่จะสืบทอดพ่อเพชรช่วยได้ใช่ไหมเป็นผู้ช่วยพ่อเพชรที่ประชุมเห็นด้วยไหมครับอย่างน้อยก็เบื้องต้นมีปัญหาอีกก็แก้อีกได้ครับพิ่มีปัญหาคือคอมันมีการเริ่มต้นค่ะเอาอันนี้เราคณาสมานก่อนโดยคิดจากความความเป็นไปได้แล้วค่อยคณะกรรมการนี่ให้บลนบไป ไม่ว่ากันนะครับคณะทำงารจะเอาเลยหรือเปล่าครั บ, อรบขออนุญาตขอคณะทํางานก่อนคณะทำงานอันนี้ อ, อกัออกษ ร, ร, รครับครับขออนาสครับคำว่าคณะทำงานนี้คําว่าทํางานนี้คือถ้าเปลี่ยนเอาสลาออกก็เป็นคนทํางานคือต้องทํางานด้วยแต่คณะทำการนี่จะเป็นฝ่ายประชุมตัดสินใจมากแต่ตรงนี้ต้องลงแรงลงมือมากหน่อยนะครับก็เป็นคนทํางานครับเปลี่ยนเป็นคนก็จากคณะก็เป็นคนทํางาน ก็ต้องอัดทำงานเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะกกด้านและเวลาที่มีและวัยที่เอื้อด้วยนะครับสองครับใครครับครับขอกาครับทั้งสองทั้งสองทั้งคณะทำงานและคณะกรรมการเนะะี่ค่ะเป็น<ไ>ปคน ค, คนเดียวได้หรือไม่คะในบางในบางคนที่ ผมให้ทำตันี้แล้วอย่างเช่นลุงโก้ค่ะงโก้ทำอนี้ด้วยแล้วเป็นคณะกรรมการลงสีด้วยเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวทําต่ละขั้นคุณพี่ไปเร็วทำด้หลักการแค่นั้นเองค่ะอาจารย์คะค่อยทางานให้ได้ก่อนเราเดี๋ยวค่อยค่อยเอาอย่างหนึ่งฟ้าเขาคิดเรื่องสัดส่วนก่อนแล้วค่อยหาตัวบุคคลที่เหมาะกับสัดส่วนเช่นต้องรู้บัญชีรู้การเงินเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าฐานเห็นไหมเขาคิดถึงบทบาทเพื่อจะไปทําอํานาจหน้าที่เพราะต้องตัดสินใจแต่คนคนโทนี้คนกลุ่มนี้ต้องทําอะไรครับ ทำงานแต่บางคนอาวุโสมาอยู่กลุ่มนี้ได้ไหมเดี๋ยวหาลืกันนะครับประเด็นประเด็นที่พี่ว่เอาคนทํางานให้หมดกันครับหาโอกาสนะครับเอาคณะทํางานนะครับที่ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมีลุงโกะแต่ลุงโก้ก็มีรายละเอียดของแกนะครับแกยังมีครอบครัวอยู่ที่พิศโลกแกไม่ได้อยู่ประจําทีเดียวก็ไปมาๆอยู่แต่นี้ผมอยากจะให้มีอย่างกล้าตรงเนี่ยเสนอกล้าตรงอีกคนหนึ่งเป็นเป็นคณะทํางานที่จะแบบถ้าลุงโก้มีปัญหาก็กล้าตรงเข้ามา ก้าตงนี่เคยมีเคยอยู่โรงสีขอนแก่นมาก่อนเคยทําเรื่องโรงสีมาก่อนนะครับอันนี้เสนออีกคนนึงคือคือกล้าตรง<อ>แล้วเป็นคนนิ่งประจําอยู่ในบุรราช ด, ด้วยนะครับกล้าตรงเ อ, อาเขียนไปก่อนนะครับกล้าก้าตรงครับอดับใจอ่าเดี๋ยวทีละคนครั บ, รบอ่าหลวงโก้เนี่ยมีประเด็นเรื่องท่านอยู่พิษศโลกใช่ไหมครับอาอันนี้หลวงกล้าตรงนี่เก่งเชี่ยวชาญอะไร จะได้ที่ประชุมจะได้รับรองเพราะหลงศรีคุณสมบัติความสามารถคือทำเรื่องประป่าครับทั่วราชอาณาจักรไม่เฉพาะบ้านลาดแล้วครับตอนนี้<ล>เป็นเป็นเข้าสู่าอาเซียนมากขึ้นแล้วครับออกไปสู่พี่น้องชุมชนรอบข้างมากขึ้นครับไม่เฉพาะบ้านลาดแล้วนะครับโปรดทราบข่าวล่าสุดตอนนี้ปลาป่าเนี่ยเราไปดูแลทั้งกุฎละงมด้วย คือเขาขอความช่วยเหลือมาเราด้วยเราไปดูแลเขาด้วยครับตอนนี้เพราะนั้นน่าจะเป็นว่าเรากําลังก้าวสู่อาเซียนด้วยคือเอื้อไปแม้กระทั่งชุมชนรอบข้างที่ว่าอยู่ขอนแก่นใช่ไหมตอนนี้หรืออยู่อิร บ, บาลัดเลยไอ้เพื่อนประจําอยู่บาลาดัดครับอาจารย์อยู่บาลัดเราะนั้นอันนี้เรียกว่าอยู่บาลัดเลยครับอยู่อยู่ประจําบาลัดครับอ่าคนที่3ครับอาสุจินครับสาี่แดงอ่าคุณอาสุจินนะครับครับ ผมเขียนผิดก็มีตอเต๋าแบบครับสุดจินครับแค่นั้นแหละครับอาจารย์รอาคนที่4ี่ครับอาจารย์ดาบใจเดี๋ยวเ ด, วดวคนนี้ถนัดอะไรครับถนัดอะไรอาคุณนสมบัติขอเชิญเจ้าตัวครับผมบางคนผมก็ไม่ทราบคุณนสมบัติเ อ, อ า, า, าอมีอยู่แล้วไม่เป็นไรอันนี้เอาถือว่าวันนี้ถือเราถ้าซ้ําเก่าก็ก็อยู่แล้วเป็นเป็นคนเก่าที่เพื่อนไปร่วมงานอยู่แล้วครับอาคนที่4ี่ครับอาจารย์ดาบใจครับ ผู้ช่วยอ๋อเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วก็คือทางานอยู่แล้วคือตอนนี้ทั้งทั้งสองท่านที่ผมเ อ, อ่ยชื่อนี่คือไปร่วมงานอยู่แล้วเป็นบางบางบา ง, บางช่วงครับทํางานลงศรีอยู่แล้ว ค, <Lex> ครับเอาคนที่4ครับอาจารย์ดาบใจครับดาบชัยดาบใจครับอาวุธทางใจครับอาจารย์เ<ป>อาา่อดาบอาโอ้เสน่คนคนเดียว3คนเลยเอาไม่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวที่ประชุมรับรองก็ถือว่าลุยนะอาจารย์คุณดับใจเป็นไงครับครับตอนนี้เท่าที่ทราบมีแค่นี้อ่าต่อไปก็ต้องคัดกับเชี่ยวชาญได้เลยเชี่ยวชาญได้เลยขอเสนอคุณนมบัติอาจารย์เชิญครับก็มีโลงศรีไปทำลงศรีเหมือนกันครับอ่าลงศรีเหมือนกันแล้วพร้อมจะเข้ามาทําใช่ไหมครับมาช่วยกันเพราะว่าพ่อดาบเพชรเนี่ยกำลังต้องพักก่อนบ้างเป็นบางเวลาอ่าแรงเพชรนะครับเอา อันนี้สามคนนี้เสนอโ ด, โดยโดยโดยพี่คนนี้นะครับคุณกล้าตรงที่ประชุมเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยค่ะเดี๋ยวถามใหม่ถามว่าใครไม่เห็นด้วยก็ยกมือดีกว่าคุณสุจินไม่มีใครไม่เห็นด้วยไหมครับมีไหมครับไม่มีทำอยู่แล้วคุณดับใจแล้วครับทําอยู่แล้วใช่แต่ว่าเรากำลังจะฟอมข้งงาราชการกับ ก, การชุดใหม่ที่รับลูป ก, กติกาใหม่ใช่ไหมครับคุณดับใจครับ มีมีตัวตนปรากฏอยู่ที่นี่นี่ ค, ครับอ๋อโอเค okay ค่ะก็ลงทั้งสามท่านที่เสนอโดยพี่เนี่ยโอเคนะครับค่ะ จ, จันทานุวัฒน์นะครับอาคนต่อไปครับพอหลวงศีจะต้องทํางานหนักมากคงทำหลวงทำคงคงคอควายงองูค่ะคงธรรมะนะครับคงค่ะของงองูขายจันคงคงคงคงทำคงคอควายงองูค่ะ ผมอยู่งนไว้ผมไว้ซึ่งคำมัเป็นนักธุรกิจอ่าเก่งเรื่องการตลาดเนาะคือเป็นผูนป้ประกอบ ก, การระดับส่งออกต่างประเทศนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่แล้วก็พร้ อ, อมที่จะบริหารงานแบบทุกรูปแบบไม่ไม่อยู่ที่นี่ ใช่ครับอยู่ที่นี่แล้วเป็นวออบอร์ด้ค่ะอ๋อเป็นวอลเอบอร์นบออ่บตลาดและวอลบอร์นี่จะได้ช่วยวางช่วยท่านไหนครับอยู่ตอนนี้แม่ออกไปไหนแล้วไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะก็ที่ประชุมเห็นด้วยไม่ไปส่งสมณะไปส่งสมณะมีใครไม่เห็นด้วยไหมครับใครมีไหมครับหกับซักมีไหมครับไม่มีก็ไม่ห้าท่าน อามค่ะอามอามก็ไปช่วยอยู่ที่รงศียะค่ะอามอามรอเรือกลัลอเรือกั้ น, อ, อ, นอามกล้าทำค่ะโอนี่ชื่อชื่ออังกฤษนะเนี่ย <laughs> ผมนึกว่าชื่ออ๋ อ, อ, อไม่รู้ชื่อจริงนะครับออาหกกลาทำค่ะ อ, อ๋อพื่กลาทำมนไมไ่ให้คนที่7ที่เ ก้าใช่หมครับมะอ๋อพ่อแรงเพชรแม่แรงงามเนาะอ๋มนี่ประสบการณ์อะไรครับเชี่ยวชาญอะไรขนส่งครับขนส่งขนส่งรักกาทํานี่ะครับขนส่งเหมือนกันทั้งสองคนทั้งสองท่านมีใครไม่เห็นด้วยไหมครับจะไปท้าทากันเองว่าวันนี้เราคุยอะไรกันทาอยู่แล้วอ๋อทาอยู่แล้วด้วยทาอยู่แล้วก็เขียนไปว่าทออไม่เป็นไรครับมีไหมครับพ่อแรงเพชรแแรงงามครับฮะพ่อแรง หมายถึงพเพราะแรงเพชรอยู่แล้วตอนนี้จะเสนอคณะทํางานเข้าไปช่วยเพิ่มมี7ท่านแล้วครับมีใครอีกไหมครั บ, ม, รบมีอยู่แล้วก็ไม่ใส่เข้าไปเลยครับอาจารย์มันก็จะได้เป็น1ในคณะด้วยไงครับก็หมายถึงว่าเพื่อนก็เป็น1ในคณะทํางานเราก็จะได้รู้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่แปดพอแรงเพชรใช่ไหมใช่ อพอแรงเพชรเข้าใจนะผมเขียนเดี๋ยวไเอามาอยู่ท้ายนะอยู่ข้างข้างต้นเได้ยินไหมคะเวล <ะ S 1> า, า, าผมผมผมใส่ข้างล่างไม่ได้แปลว่าพ่อแรงเพชรไม่ใช่บุคคลหมายเลนหนึ่งนะคะ <c ười> ช่วยช่วยฟังควา ม, มให้ชัดพอดีทุที่มันอยู่ข้างล่างก้าวใครครับเออเอาเขียนไปเลยแม่แรงงามได้ยินไหมคะขยับตัวช้าตาลน่ะตาลน้องตาล กระดาษพอต่อไปก็ได้กระทูแล้วไงกรให้มันปรากฏโตเป็นโตเป็นตนชัดเจนเวลาเขาถามหาเอาเรื่องกระเสดิสระเสดิแบ่งเฉลี่ยลาบกันจะนไมเป็ไรครับที่ที่สำคัญแบ่งบ่หละแบ่งกระสเสดเอาคนที่ประชุมเห็นด้วยนะครับอันนี้ไม่คงก็งงทําอยู่แล้วนะครับไม่มีคนใหม่นะพียงแให้ใส่คนเก่าไว้ให้ชัดแล้วก็เพื่อรายงานให้ทุกคนรับทราบใช่ใแล้วก็รายงานเพราท่านนะครับว่ามีการ จะตั้งคณะทำงานขึ้นจากการหารื ว, วันนี้เพิ่ ม, มขึ้นและมีค น, นสมัครงานด้วยค่ะขอสมัครงานด้วยเป็นผนดักจเรทั่วไปอ่าอย่างนี้นก็ต้องถือว่าคนใหม่ค่ะเป็นแผดักจเรทั่วไปอ่าก็คืออ่าก็คนใหม่มีแปดคนวันนี้ที่เสนอเพิ่มแปดคนคนเก่ามีกี่คนนะฮะห้าคนใช่ไหมฮะ เราจะคุยเรื่องคณะกรรมการไหมครับคุยคะ่ะวันนี้ต้องจบค่ะวันนี้มีขนาด<า>ที่ประชุมกรรมกา ร, ร เ, หเห็นด้วยไหมครับด้วยคะ่ะอ้าวงั้นเอาชื่อเลยครับเออเอ า, เอาคิดเรื่องอยากได้คนที่ถนัดด้านอะไรบ้างในกรรมการแล้วค่อยใส่ชื่อบุคคลดีไหมครับหรือเอาชื่อบุคคลแล้วบอกว่าคุณสมบัติจะมาช่วยด้านอะไรจาแบบไหนครับคิดเรื่องอยากได้สัตว์โจก่อนอยากได้นักการเงินนักบัญชีนักการตลาดอยากได้ผู้ใหญ่บ้านหุ่นอาถรรงานครูหุ่นอาถรรพ์ลงสี อันนี้จะไม่คิดตัวบุคคลจะแอบคิดในใจได้แต่คิดเพื่อเห็นมีดุลคานมีสัดส่วนผสมเพราะว่าถ้ารู้เรื่องเดียวหมดก็เป็นคำการที่ไม่เก่งใช่ไหมครับว่รู้เรื่องเดียวเอาสัดส่วนก่อนไหมครับเอาเอาคุณสมบัติก่อนว่าเขาเรียกหน้าเขาเรียกหน้าที่และกันไม่ได้มีมีเขาจะมีอำนาจ ด, ด้วยนะครับเอาด้านอะไรบ้างครับที่สําคัญเอาสีน้ำเงินสีน้าเงินเป็นบทบาทสีแดงเดี๋ยวค่อยเป็นชื่อบุคคลสมมุติว่าเราลอกโครงสร้างที่เคยทําไว้ที่บ้านลาดไว้เดิมนะคะ ตัวผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละคือกรรมการคนที่หนึ่งอนั่นคือผู้ใหญ่บ้านคือหัวหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนคนที่2ก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอเคเฉยเฉยเฉยพอเยบอนะคะเพราะว่านี่คือคณะกรรมการขานกานแหละอืผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาปากกาสีแดงใหม่สีนี้มันแห้งสองเรว ผู้ช่วยอันนี้ฝ่ายฝ่ายชุมชนจะได้เชื่อมโยงกันได้ใช่ค่ะนี่คือความเชื่อมต่อของสถานงานที่มันต้องมีอยู่แล้วผลเดาคือว่าเพื่อได้การเชื่อมโยงเรื่องแรงงานเรื่องการเขาเราต้องรับรู้ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องถูกต้องถูกเออก็ต้องได้ผลตอบแทนเหมือนกันมีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน3ครับ3อันนี้อันนี้ถือเป็นหนึ่งเองคือเป็นฝ่ายชุมชนตัวแทนฝ่ายชุมชนฝ่ายที่สองจะเป็นอะไรครับการเงินและบัญชี กลางแล้วก็บวกกับผู้ช่วยตอนนี้จะเริ่มมีผู้ช่วยเข้ามาเกี่ยวแล้วนะคะก็คือผู้ช่วยที่ลงรายรือของทางลงสีลัดบัญชีซึ่งต้องรับผิดชอบด้วยนะครแต่คนละคนารผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แล้วก็มาหาผู้สมัครแยกกันเดี๋เพราะเดี๋ยวแยกบัญชีไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะที่ที่คุยกันตรงนี้คือกรรมการหลักคือฝ่ายการเงินบัญชีชุมชนนั่นแหละแต่ว่ามันจะเริ่มมีผู้ช่วยปรากฏตัวเฉพาะฐานงานนี้แล้วด้านต่อไปเลยครับด้านต่อไปที่ที่เราต้องหาคนที่เป็นกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านพวกนี้ด้วย คนละคนอยู่แล้วค่ะการเงินและบัญชีที่คนละคนนะคะคนละคนครับคนละคนค่ะการเงินที่หผู้เชี่ยวชาญวันนี้คือเสนอตัวอาจารย์อเอกที่ที่เปาวนาไว้เมื่อที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็คือผมผมไม่ต้องใส่แล้วครับผมเป็นผู้ช่วยบัญชีผมมาเป็นข้างข่าวดูระบบบัญชีให้ไม่ใช่ค่ะที่เสนออาจารย์ในที่นี้คือตําแหน่งของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน ที่จะสามารถรับรู้เรื่องราวในฐานะที่มีประสบการณ์ได้แล้วก็เป็นผู้ช่วยเฉพาะทางด้วชี่ยวชาญด้วยเพราะว่ามันต้องมีด้านลงสีถูกต้อ่ะใส่คาว่าใส่คําว่าผู้เชี่ยวชาญแปลว่าอาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาเราได้ตลอดเวลาส่วนอาจารย์จะมาหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราขอปรึกษาสรุปแล้วคือเราขอปรึกษาถ้าจําเป็นฉุกเฉินเราก็จะเชิญเอาอย่างงั้นผมขอเป็นที่ปรึกษาใส่ไปอีกอันนะครัที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเมื่อเรื่องเมื่อเป็นเรื่องโลงสีเมื่อต้องเชี่ยวชาญเรื่องลงสี เขาบัญชีเป็นเรื่องรองเขาเรียกว่า <c oughs> สาย <Okay. S 2> สายหลายสายสถาบไม่ใช่ไม่ใช่สายหลายสายตรง okay. ที่ปร<า>ึกษาครับอันนี้ถ้าถ้าจะครับเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาจะมีหลายด้านเป็นคนนอกนะครับแต่ผู้ยวชาร์านี่ควรจะเป็นคนในนี้ที่ปรึกษาเนี่ยเราอยากได้ใครมาช่วยอย่างที่หนึ่งฟ้าเสนอผมเนี่ยก็คิดถึงคนอื่นอีกก็ได้ในอนาคตนี่นะครับที่ปรึกษาคนนอกคนนอกที่ ที่ที่จะม า, าให้การปรึกษ า, าด้านด้านต่างๆด้านการเขีดไว้ว่าด้านตลาดด้านบัญชีเอาเอาเอาเรื่องภายในก่อนเพราะตอนเราต้องเสนอชื่อคนภายในมีใครครับเอาที่ปรึกษาเดี๋ยวไว้ก่อนใครด้านอะไรครับคื อ, ค, อคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไอ้คำว่าการตลาดนี่เราอาจจะมีความเข้าใจผิด คำว่าการตลาดที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่านอกจากบริษัทพลังบุญแดดชีวิตขอบคุณแล้วเรายังสามารถหาตลาดที่อื่นด้วยนะคะอย่างที่ทํามาที่คุณกล้าทําเพ้าทําอยู่การตลาดของเขาแปลว่ารับออเดอร์จากบริษัทพลังบุญแดดชีวิตเท่านั้นเองนะคะที่คําว่าการตลาดที่เข้าใจกันขนาดนี้มันเป็นความเข้าใจกันคนละชนิดนะคะเอออันนี้กรรมการเนี่ยถือว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเนี่ยรู้เรื่องฐานการเผลดตคือเพราะราษฎรีต้องรู้จักต้องรใช่ไหมครับจะมีเพิ่มไหมครับ หรือพอแล้วก็หัวหน้าฐานงานหัวหน้าฐานงานคือค<ต>ือโครงสร้างขององค์กรนะคะว่าไล่ตามสเต็ปเลยก็คือตัวหัวหน้าฐานงานต้องมีแล้วความจำเป็นกับชาวนานถือว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยคอยเชื่อมนะใช่ค่ ะ, อ, ะอันนั้นเชื่อมกับญาติธรรมที่อยู่ข้างนอกใช่ค่ะที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในรัฐานีจะมีใครมีครับฮะอาสมณะอ่าโหไว้ไว้ข้างบนเลย ไว้ไว้ตรงนั้น ไ, นนไข้างบนบนคำการงสีแล้วว่าถือเป็นโดยตำแหน่งเลยต้องเพราะว่าเราทำงานด้วยบุญนิยมก็ต้องมีสมณะเป็นเป็นผู้ที่บอกว่าเงินนี้จะทำให้เป็นบุญได้อย่างไรคิดถึงด้านอะไรมั้ยครับที่ยังขาดอยู่อ่ะอ่ะคราวนี้เอาเอาการสิขามาด้วยใช่ไหมครับ อ่าโอเคไปนักบวชก็นักบวชทั้งสองทั้งสองฐานะครับเอาอแปดก็คือคณะทํางานค่ะทัอ๋อนั้น<ว>มี อ, <ะ>อยู่แล้วด้านซ้ายค่ะอ๋อตอนี้เดี๋ยวเราดูใครเชื่อมถ้าไม่มีคนจับซ้ายไปขวาเราก็ต้องให้การทงานสักคนมาคอยเชื่อมเพืาอจะได้ไปจ่ายงานตอนนี้ประเด็นคือเอาละเราเสนอชื่อใส่สีน้ำเงินน้องว่ามีใครบ้างจากชื่อชื่อคนที่จะมาแทนแทน แ, ตแต่ละหน้าที่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านนี่ ร, รู้ชื่ออยู่แล้วผู้ช่วยโดยตําแหน่งเอาออกการเงินเลยครับคิดถึงไครครับในว<ข>บ อ, บอมีใครจะสมัครไหมคะหรือใครจะมีใครที่เคยทําธนาคารอะไรนะคก็ในวบเห็นตัวเสนอชื่อเลยค่ะแล้วก็ถามดูว่าเขาโอเคไหมพี่จะเสนอใครเอาผู้ผู้ช่วยภูณไทยนี่แหละค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ เอาการเงินการเงินไอ้ลงสีใครจะเสะนอตัวคะเอาได้ค่ะพี่การเงินย่อยกันเลยเดี๋ยวเด<ค>ี๋ยวมองเขียนว่าการเงินย่อยการเงินลงสีเขียนตรงตรงเลยการเงินของลงสดีดินเย็นอยู่ไหมดินเย็นดินเย็นยกมือไหมยกมือเธอฝ่ายการเงินหรือเธอจะฝ่ายบัญชีก็ได้เธอเลือกคะแนนหนึ่ง เอาดินเย็นรับผิชอบฝ่ายบัญชีอ้าวแล้วการเงินใครคะดิฉันเสนอครูอ้อยผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านศรีสาโสกเอามาทำการเงินไอ้รงศรีค่ะคนนี้ค่ะใครเห็นชอบยกมือ เนี้ยดิ <laughs> ผู้เชี่ยวชาญเป็นใครคะ <c oughs> คือคือพ่อแรงเพชรนี่ตกลงเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือจะเป็นหัวหน้าฐานงานคะโจทย์ปรดยืนยันฐานหน้ตัวอีกทีคะ่ะอ่ากรรมการต้องมีหัวหน้าฐานงานด้วยอ่าใส่ไปข้อหนึ่ง มีจะมีไหมมีอย่างนั้นก็ต้องใส่บทบาทไปว่าการตลาดต่อจากการตลาดเป็นหัวหน้าฐานงานเพราะจะเป็นผู้จ่ายงานให้ทุกคนใช่ไหมครับนี่เป็นหัวหน้าฐานงาน การตลาดครับก็คุณคงทํานั่นแหละค่ะไอ้เบื้องต้นและที่เหลือก็มีคนอื่นเข้ามาสมทบเดี๋ยวจะมีมาเพราะนี่เรื่องใหญ่ใช่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่คุณคงทําคนเดียวต่ตอนนี้ใส่ชื่อคุณคงทําไว้ก่อนหมารเลาดการตลาดคงทำคงทําก็ย้ายจากซ้ายมาขวาได้ก็คุณกล้าทําก็เป็นไอ้ทีมงานการตลาดด้วย ไอ้ใช่เดี๋ยวเด๋ยวขอให้เจ้าของเจ้าตัวยืนยันหน่อยว่ายินยันพร้อมที่เป็นหัวหน้าฐานงานหรือไม่คะถ้ายินยันก็แสดงเจตนาต่อที่ประชุมว่าเป็นหัวหน้าฐานงานไม่พร้อมเป็นเป็นหัวหน้าฐานงานที่ประชุมอนุญาตไหมคะไม่เออไม่ใช่ถ้าเจ้าตัวเขาไม่ต้องการก็ไม่ต้องไปฝืนใจเพราะอยู่มา20ปีแล้วก็อาจจะอยากจะทําสิ่งอื่นบ้างไม่แรงงานพร้อมเป็นไหมคะหัวหน้าฐานงานไม่เป็นเอา มาเป็นไงเอาไม่เป็นมีผู้รับรองไหมคะตาลล่ะตาลล่ะทายาทเอาไหมตาลแทงเบาบอเอาพอตอบแทนอ่าสรุปแล้วที่ประชุมพร้อมจะรับผิดชอบฐานงานนี้ไหมคะถ้าพร้อมก็ช่วยยกมือด้วยค่ะเร็วยกมือหน่อยที่ประชุมพร้อมรับผิดชอบฐานงานนี้อืออ่าพร้อมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าใครจะเป็นหัวหน้าฐานงาน ในรายชื่อที่ปรากฏนี่คิดว่าน่าจะเป็นใครมันคนดอกนะยังไงพ่อเพชรก็ต้องเปลี่ยนเป็นที่ปรึกษาใช่ต้เพราะว่าส่งไม้อะวิ่งผัดมต้องให้เวลาส่งไม้จนพ่อฉันใส่ชื่อที่ปรึกษาค่ะอยากไม่อยากก็ให้เป็นค่ะตกลงตำแหน่งที่ปรึกษาที่อยากไม่อยากก็ให้เป็นนะคะครับถ้าพ่อเพชรตกาอย่ารครับถ้าจะเป็นฐานหัวหน้าฐานใดต้องให้พ่อเพชรเป็นที่ปรึกษาจะได้ส่งไม้ได้เออแล้วตัมูแปลว่ามูต่างให้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยหโอเคอ่าที่ปรึกษาพ่อแรงเพชรเป็นที่ปรึกษาครับค่ะ และครอบครัวอ่และครอบครั ว, วตกตกลงเจากับตกเป็นน้ำดิเอออ้าวคราวนี้อ่ผมสรุปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวย้อนไปสรุปว่าที่จุดอ่อนจุดแข็งผู้เชี่ยวชาญอ่าพ่อแรงเทก็ต้องเป็นด้วยเพราะว่ามีความรู้มีประสบการณ์พ่อแรงเทก็ต้องอยูอ่ใน๋อใช่ใช่ใส่ผิดที่ใส่ใส่ผู้เชี่ยวชาญ ไม่คือผู้เชี่ยวชาญเราสามารถมีเพิ่มเติมได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญนี่มันเป็นความเชี่ยวชาญในระดับเทคโนโลยีทุกระดับและสามารถให้คําปรึกษาได้ไม่ใช่แค่แค่ทําลงสีเป็นไอ้ที่พูดตรงนี้คําว่าผู้เชี่ยวชาญในที่นี้ไม่ได้แปลแค่ว่าทําฐานงานนั้นเป็นอนดูออกไหมครับเพราะฉันเดี๋ยวเว้นวักไว้ก่อนก็ได้ไปทำไปทานข้าวหรือไปทําใช่ก็ให้น้องพี่ใบฟ้าฟังใหม่คาว่าผู้เชี่ยวชาญในที่นี้มีความรู้ ในทุกระดับฐานะไม่ใช่แค่ทำโรงสีและซ่อมเครื่องสีเป็นเท่านั้นเข้า<ค>ใจไหมอันนี้คือแค่เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับการปฏิบัติงานในฐานงาน <S 2> <S 2> <S คำว่าผู้เชี่ยวชาญคือมีความรู้ระดับเยอะมากสามารถให้คำแนะนําในทุกระดับเช่นโรงสีควรจะเลือกประเภทไหนอะไรยังไงสารพัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญแปลว่าอย่างนี้ค่ะไม่งั้นก็คือเอาหัวหน้าฐานงานกับผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเดียวกันเลยค่ะไม่งั้นไม่ต้องตั้งนี่คือความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาคืออย่างนี้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่สามารถปรึกษาทางโทรศัพท์ได้มีความรู้จริงๆรอบกว้างใหญ่เลยประมาณเนี้ค่ะอย่างอาจารย์อนเนกเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ บ, บัญชีการตรวจสอบการาพัฒนาชุมชนบริหารงานการเงินสารพระชนิดอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่อาจารย์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ค่ะที่ว่าอย่างคือแปลอย่างไรครับรูบัญชีแต่ไม่เชี่ยวชาญบัญชีเพราะไม่เคยทาทำบ้างครับ ผัวค่ะผู้เชี่ยวชาญลงสีอาจจะเป็นเจ้าของเจ้าของบริษัทขายลงสีก็เป็นได้เราสามารถปรึกษาได้เนี่ยออกไหมคะเออซึ่งเขาเป็นคนดีไซน์รูปแบบว่าลงสีมีกี่รุ่นกี่รุ่นแต่เราไปคุยกันรายละเอียดมันมีเยอะมีเยอะวันนี้เราได้ชื่อตัวบุคคลมาแล้วพร้อมจะรายงานต่อที่ประชุมใหญ่แล้วก็หวังว่าวันสุดท้ายเราจะรวมคนได้เยอะขึ้นนะครับที่เมาวางระบบโรงสีครับระบบไฟฟ้าใครครอาจารย์คนนั้นน่ะชื่ออะไรมีใครเสนอ ที่เคยวางระบบที่ติดระบบเดินระบบนั่นน่ะน่าจะอยู่ในส่วนด้วยพอรู้โครงสร้างทั้งหมดใครอะอาจารย์อะไรนะครับที่เคยมา่เชื่อยลชัยอาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมคะอาจารย์เฉลิมชัยเฉลิมชัด เหอะไรคะฉัดเฉลิมฉัดเฉลิมฉัดคือคืออย่างนี้ค่ะฟังมาอีกทีนึงนะคะผู้เชี่ยวชาญแปลว่าอะไรผู้เชี่ยวชาญที่ว่านี่ไม่ได้แปลแค่ว่าเป็นคนสามารถเดินสายไฟซ่อมเครื่องยนต์นะคะแล้วก็สามารถทํำลงสีได้ไม่ได้แปลว่าแค่นี้นะคะแปลว่ามีความรู้เชี่ยวชาญในระบบการผลิตและสีข้าวในระดับประเทศระดับโลกก็ได้ อาจจะมีอยู่แค่คนเดียวในประเทศไทยอันเนี้ยก็สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งเราสามารถขอให้เขาเป็นที่ปรึกษาเราได้ไม่ได้แปลแค่นี้เพราะถ้าแปลอย่างนี้ไม่เรียกผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าคนปฏิบัติการในภาคสนามค่ะ อ, อตรงนี้ถ้าเรายังไม่มีไม่เป็นไรเว้นว่างไว้ดิฉันมีความสามารถพิเศษคือหาผู้เชี่ยวชาญทุกชนิดค่ะดิฉันสมัครหาเป็นผู้รับผิดชอบห า, <ส>าผู้เชี่ยวชาญค่ะ มีปัญหาทุกชนิดสามารถหาคำตพยายามหาคำตอบให้ค่ะก็เกขเาเสนอคุณนิคมขเก้าที่แต่เป็นคนเป็นญาติธรรม่ายประสานงานทั่วไปค่ะคนนิคมเชโยว่เจเลยเนี่ยก็คือหนึ่งฟ้าประสานงานทั่วไปเขาต้องประสานกรุงเทพประสานภาคขอการค่าอาจารย์ค่ะผู้เชี่ยวชาญเมื่อกี้ ถามคุณหนึ่งฟ้าว่าอาจจะมีมากกว่านหนึ่งท่านก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้อยากจะเรียนถามว่าพ่อแรงเพชรซึ่งได้สั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ก่อตั้งใสไปแล้วครับใสไปแล้วนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญครับเพราะพ่อแรงเพชรเป็นผู้เชี่ยวชาญมีกี่ใส่พชรเป็นที่ปรึกษาสรุปแล้วพ่อแรงเพชรรับทราฐานะนะคะตำแหน่งนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญของฐานหลงศีนะคะเป็นทั้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วบอกว่าแล้วตะมูคือตมูไหเป็น2อย่าง สองตำแหน่งค่ะสองตำแหน่งนะคะแล้วก็ขางครอบครัวด้วยนะคะถือไม่นานแล้วครับเดี๋ยวหนึ่งฟ้าขอขอให้ชื่ออะไรครับผมเนี้ยชินยนใจครับเชิญสมมุติที่ข้อมูลที่ทางแผนกคำข้อมูลหาจุดแข็งจุดอ่อนนะคะตอนนี้ข้อมูลก็ออกมาแล้วนะคะค่ะจุดแข็งนะคะอาหารเป็นหนึ่งในโลกค่ะข้าวเปลือกเป็นทรัพย์นะคะ ข้าวไม่ใช่สินค้าเป็นอาหารแบ่งปันกันกินนะคะอันนี้เป็นข้อมูลคอันนี้เป็นข้อมูลจากาพ่อแรงเพชร น, นะคะผู้บริโภคได้รับประทานของดีราคาถูกน ะ, ะจุดแข็งการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเกาะติดเอาจริงเอาจังนะคะการหาทีมงานสืบทอดในลุงสีการตั้งใจขาดทุนเพื่อกำไรอริยะจิตวิญญาณเจริญกำไรระยะคือกำไรริยะนะคะ เอาเอาจุดแข็งก่อนหรือว่าจะทั้งหมดเลยดีทีเดียวคะจุดอ่อนด้วยเลยครับจุดอ่อนเลยนะคะทีนี้จุดจุดอ่อนนะคะการทํางานกําลังมีปัญหาเป็นจุดอ่อนนะคะลานตากมีขยะแล้วก็มีของอยู่นะคะแล้วก็มีแผ่นหนึ่งลานตากกลายเป็นลานตั้งของเต็มนะคะนี่เป็นตัวประกอบกันเหลือข้าวอีกห้าร้อยตันนะคะที่ต้องที่คลางสต๊อกไว้นะคะ ทางขึ้นที่เก็บข้าวไม่สามารถเทคอนกรีตได้นะคะโกดังเก็บข้าวไม่พอนะคะการขนข้าวขึ้นเก็บเต็ที่สูงนะคะพื้นที่พึ่งถมยังไม่เซตตัวทําให้โฟล์คลิฟต์นี่ไม่สามารถทํางานได้มันเฉดเฉะและลื่นนะคะการผลข้าวเจ็ดตันใช้โฟล์คลิฟต์สิบเจ็ดเที่ยววันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะต่อไปการตลาด ไ อ, ไอการลาดปูนนะคะใช้งบประมาณสูงนะคะนี่คือจุดอ่อนนะคะประเด็นการบริหารการจัดการนะคะที่ไม่เป็นระบบนะคะอันนี้คือข้อนี้ก็จะมีข้อเกี่ยวข้องด้วยคือขาดทุนเพราะบริหารผิดพลาดหรือแบ่งกําไรเดี๋ยวนะคะขอโทนค่ะไม่ใช่ค่ะการบริหารการจัดการที่ไม่เป็นระบบทําให้การขาดทุนขาดทุนเพราะการบริหารผิดพลาดนะคะข้าวอุทยานไม่พอขาย แล้วก็ไม่พอส่งไปที่กรุงเทพนะคะไม่มีคณะกรรมการลงสีที่ชัดเจนนะคะขาดการประสานงานลงสีขาดการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปัญหาของสุขภาพขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทดแทนขาดผู้สืบทอดเ ท, เทคนิคการสีข้าวนะคะต่อไปนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีของลงสีแยกนะคะ ส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือบัญชีขององคสีไม่มีส่วนร่วมกับบัญชีชุมชนนะคะบัญชีชุมชนเพิ่งจะเริ่มต้นใหม่นะคะการเงินของชุมชนจ่ายให้ผู้ขายโดยตรงผู้รับเงินลงบัญชีคนเดียวกันนะคะอันนี้คือข้อมูลของจุดอ่อนค่ะครับขอบคุณม ถ, ถ้าสรุปรวมเนี่ยจุดอ่อนเนี่ยที่เราก็จะมาคุยข้งข้อเสนอเนี่ยคือป ร, ประเด็นอะไรครับถ้าฟังฟัง ประเด็นใหญ่ที่สุดคืออะไรครับสีข้าไม่ทันเพราะนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุกเป็นสาเหตุไม่ใช่สาเหตุเป็นอาการสีข้าไม่ทันแต่ต้นเหตุคืออะไรครับการจัดการที่ต้องปรับใหม่ให้เป็นระบบขึ้นที่พูดใช่ไหมครับการจัดการเชิงระบบเนี่ยเราจะพบว่าต่นี้ที่ประชุมประเด็นก็คือเราต้องแยกการมการชุมชนออกมา นี่ข้ อ, สขอสเสนอที่ฟังดูนะครับจากที่ประชุมก็คือเราต้องถึงเวลาแล้วที่จะแยกคณะกรรมการชุมชนออกมาไอ้แยกคณะกรรมการลงสีออกมาจากค้กามชุมชนเดี๋ยวไม่รู้จะรวมลงป่๋ยด้วยหรือเปล่านะครับก็คืออย่างน้อยลงสีที่เราพูดกันเนี้ยคือควรจะแยกออกมาเพราะว่าภารกิจมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างน้อยที่เราเห็นเนี้ยที่พูดรวมๆจุดอ่อนเนี้ยถ้าแยกเป็นเชิงระบบก็จะมีอย่างน้อยคือคณะกรรมการชุดนี้ก่อนจะพูดถึงขั้นตอนนะครับการควรจะมีคือ นอกจากลุงเพชรหรือคนที่เป็นหัวหน้าฐานงานในอนาคตเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบดูแลแต่ละเรื่องไปทั้งเชี่ยวชาญและแล้วเป็นคณะคนทํางาน5ด้านนะครับในขั้มการชุดนี้ที่ต้องแบ่งออกไปให้ชัดคือเรื่องการตลาดดึงสองเรื่องการเงินต้องแยกออกมาเพื่อให้เห็นว่าเม็ดเงินมีเท่าไหร่แล้วก็ไปรวมที่สนาโป๊กเของบ้านลาดบัญชีก็ต้องแยกปเป็ น, เ ป, นเป็นการเงินย่อยบัญชีย่อยนะครับแล้วก็แล้วต้องคนละคนกันอันนี้หลักผมเลยว่า ที่เรียนมาเนี่ยถ้าเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยจัดการไม่ได้หรอกครับแล้วก็คนเชื่อถือน้อยมากคำขันหาจะมาทันทีต้องแยกแล้วควรจะเป็นทีมด้วยมีรับรู้หลายคน เ, เรื่องการตัดสินใจนี่ก็ในรูปคณะกรรมการเพราะจะตัดสินใจในเรื่องทั้ง5้าเรื่อง5ขั้นตอนนี้นะครับขณะนี้เดี๋ยวค่อยพูดนะครับงั้นการตัดสินใจก็คือต้องเป็นในรูปคณะกรรมการใช่ไหมครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอุปกรณ์เครื่องจกักรเครื่องมือซึ่งราคาแพงๆนั้นเลยใช่ไหมครับ ก็เป็น5ฝ่ายที่คิดว่าจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการชุดนี้ที่ประชุมเห็นว่าหนึ่งต้องแยกสองต้องมีการดูแลทั้ง5ด้านแล้วเป็นใครบ้างเดี๋ยวค่อยลงนะครับตอนนี้ในในหด้านเสร็จเรามีห้เาเติมไปครับตอนนี้เดี๋ยวข อ, ขอแถมลูคุไทยจากร้อยเอ็ดค่ะอยู่ไหมคะลุงกุไทยอยู่ไหมคะเสนอลุงอุไทยโอเคไหมคะ อยู่คณะทํางานลงสีค่ะเพราะเป็นคนขายข้าวอยู่แล้วแล้วก็<า>โฆษณาขายข้าวเก่งด้วยการตลาดอ้อาวลุงไทอีกหนึ่งคนค่ะเ ก, ก, ก่งเกเรื่องการตลาดใช่ไหมฮะขายข้าวเก่งมากเลยค่ะคุยทีคครับรองขาย ไ, ไม่พอขายทั้งหมดกี่คนเอ่อคณะทำการชุดนี้เนี่ยก็นอกจากจะแบ่งกันเป็นดูแลแต่ละด้านซึ่งดูแลโดยใช้คณะทํา ง, งานจากพวกเราเนี่ยเข้ามาดูแลแต่ละด้านแล้วก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจก็จะใช้ หรือนโยบายนี้ก็เป็นคมการลงสีชุดนี้นะครับตอนนี้ต่อไปก็คือว่าคำการชุดนี่ก็จะดูทั้งห้าขั้นตอนที่ว่าเชิงระบบคืออะไรครับคือว่าตลาดเนี่ยต่อไปใบสั่งซื้อจะรับมาทันไม่ทันจะผิดแปะสีข้าวทันไม่ทันปัญหาเรื่อง500ตันจะทํำยังไงก็จะเข้าลูกคณะกรรมการหารือกันนะครับระหว่างประเด็นที่สองจะตัดสินใจแปะรูปข้าวไหมเอาจะขนข้าวมีปัญหาเรื่องรานตากมีถนนต้องทํา ล้วนจะต้องไม่ใช่แค่ให้ไปดักที่ผู้จัดการคนเดียวถ้าบางเรื่องถ้ผู้จัดการอุัวน่าทานเนี่ยก็ขึ้นมากรรมการเพราะฉนั้นการตัดสินใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับที่ที่ตลาดมาแปลรูปข้าวที่สําคัญคือที่การตัดสินใจที่การบริหารเะั้นการตัดสินใจเรื่องพวกนี้เรื่องร้านตากเรื่องถนนอย่างที่ว่านะครับแล้ว เ, เรื่องที่สําคัญที่เราพูดกัคือเรื่องการเงินนะครับก็คือสรุปแล้วว่าต้องแยกทั้งเงินและทั้งบัญชี นะครับแล้วก็ควรจะมีเวทีอย่างนี้รู้เขารู้เราผมเพิ่งเห็นนั่นหนึ่งฟ้ามานั่งถามกันกันมันเป็นยังไงนี่แสดงว่ามาซักถามระบบบัญชีแสดงว่าระบบระบบมันไม่เคยคุยกันให้ชัดๆไม่เคยค่ะมันก็ต้องมีเวทีอย่างนี้ใช่ไหมครับมาพูดคุยในฐานะชาวสกด้วยกันแล้วก็มันก็จะรู้เขารู้เราใช่ไหมครับไอข้อสงสัยข้อม่ชัดเจนก็หายไปต่อไปก็มีบอร์ดประกาศติดของโลงศีกิจการเป็นยังไงอยู่ที่นี่ และมีเวทีพูดคุยสักถามกันอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะครับว่าถ้าเราทํางานเชิงระบบนี้ก็คณะกรรมการนี้ก็จะกํากับให้ทั้ง5ขั้นตอนเป็นไปตามข้อเสนอและปีปัญหาก็ตัดสินใจร่วมกันขั้นที่5เนี่ยเราก็ยังพบอีกนะว่าขั้นที่5เนี่ยแบ่งมาได้เป็นถึง6กเพราะเรื่องเรื่องที่1คือเรื่องการการบันทึกต้นทุนกําไรให้ชัดเพราะว่าถ้าบันทึกต้นทุนกําไรไม่ชัดเนี่ยเราจะมาขั้น ที่หที่เไม่ได้คือการบอกสังคมได้ว่าต้นทุนกําไรตั้งแต่ชาวโศกเองแล้วก็นอกโศกนะครับแล้วขั้นที่7คือขั้นที่เปลี่ยนเป็นตลอดอิยะนะครับแล้วก็เป็นขาดทุนเป็นบุญเป็นความรู้นั้นไอการที่จะทําให้บุญเนี่ยขั้นที่6ที่7จเนี่ยเป็นเรื่องภายในของชาวโศกแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในเจขั้นถ้าไปถึงเนี่ยก็อยู่ใน6กกับเดูเหมือนจะอยู่ในวรบอมนะมากหน่อยแต่ขั้นภาพ1นึถึงหนี่เป็นเรื่องของระบบลงสีซึ่งต้องทําอันนี้ชัดไหมครับ แต่นี้มาเป็นที่2คือถ้าการจัดการแก้ปัญหาเชียงลบคือมีคณะกรรมการและมีคนคณะทํางานคนทํางานเข้ามาแต่ละฝ่ายแล้วก็ดูแลแต่ละด้านเนี่ย<ร>ก็มีชื่อคนเหล่านี้จบไปครับรหรือว่าหรือว่ า, วาจะต้องไปคุยกันว่าจะทํำยังไงจังหวะเ ก, ก้จะทําอะไรก่อนหลังจยางตอนนี้น้ําจะมาแล้วต้องรีบเคลียร์ว่าจะเอาถนนจะจะอ่าครับเพนั้นเอานี้มีเรื่องเร่งด่วนเพนัน้นนี่จังหวะเ9้าเอา เรื่องเร่งด่วนเรื่องเร่งด่วนมีเรื่องอะไรอะไรบ้างครับระดมจากคนที่รู้เลยนะครับกระดาษแผ่นครออเดอร์แต่ละครั้งออเดอร์้เรื่องเร่งด่วนก่อนคณะอตงกับคณะกรรมการก็ไปคุยแล้วน้ำท่วมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแบ่งปริบทมีเรื่องอะไรครับ500ตันออเดอร์รายการสั่งของจากร้านค้าห้าร้0ตันกับน้าท่วมไอ้กระลาตากใช่มน้ำจะท่วมใช่ไหมครับ5 0าตันเนี่ยต้องกับ้านตาก หลานตากกับน้ําท่วมด้วยใช่ไหมครับน้าจะท่วมร้านตากกับถนนใช่ไหมใช่ไหมครับลุงเพชรร้านตากกับน้หลุงเพชยังแยกเป็น2องรยกับ300เนี่ยอันนี้ก็ ต, <ม>ต้องไปดูกันประเด็นประเด็นที่3เลยครับที่เร่งด่วนมีไหมครับไม่มีมีไหมคนก็ตอนนี้เราได้แล้วคนก็เข้าไปเรียนรู้เลยนะครับคนทำงานคนทำงานเพราะว่า คุยเสร็จแล้วก็คนเก่าลุงเพชรอีกไม่ได้แล้วต้องเอาคนทํางานเข้าไปเลยแล้วเข้าไปทํางานได้เลยไหมคะคณะทํางานอย่างเช่นมีออเดอร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ตอนนี้มีไหมคะออเดอร์มีนะคะที่อุทยานอุทยานยังยังยังมีค่าที่ขาดแล้วก็ต้องต่อเนื่องด้วยค่ะอุทยานต้องมีเรื่อยออเดอร์ของอุทยานค่ะวันนี้ก็ยังขาดอยู่สีข้าวอาวันนี้ต้องการทุกอย่างเลยค่ะอย่างละสามสิบสามสิบถุงสี่อย่าง ค่ะแล้วก็ประมาณประมาณไม่เกินห้าวันก็จะสั่งครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าสั่งเยอะไปเนี่ยมันจะไม่มีที่เก็บแล้วก็มันจะมอดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นความถี่ของอุทยานที่ต้องสั่งที่มันขาดเพราะว่าความถี่แล้วมันไม่ได้ของอะค่ะถ้าเราจะห่างกว่านี้ก็อาจจะประมาณห้าสิบถุงแต่ละชนิดก็อาจจะพอได้แต่ห้าสิบถุงเร่งด่วนเนาะเร่งด่วนคือตอนนี้ห้าสิบถุงชนิดดิฉันขอเสนอที่ประชุมอย่างนี้ค่ะว่าดูห้ากลางแล้ววันนี้เราเช้าเนี่ยเราไม่น่าจะประชุมเสร็จ ตอนนี้8มง18นาทีถามว่าเราจะเลิกประชุมกันกี่โมงเพื่ อ, อก่อนขึ้นศาลา9โมงเช้าแล้วเราจะประชุมกันตอนไหนเพราะนี่คือตัวอย่างหนึ่งฐานงานที่เกิดขึ้นแล้วคณะทํางานที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ดีฉันอยากจะเรียนเสนอเพิ่มเติมก็คือว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่น่าจะมีแค่คนเดียวอย่างเช่นการตลาดมันน่าจะมีมากกว่าหนึ่งและหลายหคนแล้วการตลาดตรงนี้ไม่ใช่แค่ขายข้าวแต่มันคือขายสินค้าทุกชนิดของชาวบ้านลาด นะคะแล้ววันนี้มีคําถามว่าวนบเข้าพื้นที่จะช่วยอะไรกับชุมชนบ้างท่านแรงงานของวนบที่เข้ามาจึงไม่ใช่แค่เรียกไปกระทํากสิกรรมเรียกไปล้างอาหารล้างจานที่ครัวไปทําอาหารแล้วขายของเท่านั้นมันน่าจะมีศักยภาพมากกว่านั้นก็คือรับผิดชอบทั้งเรื่องของการตลาดในเรื่องของอะไรต่อมีอะไรที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะทีมการตลาดไม่น่าจะมีแค่คนเดียวนี่คือสิ่งที่ท่านเห็นว่าควรจะต้องเสนอเพิ่มเติม เกณฑ์พิจารณาในการที่ ท, ที่นำเสนอที่เสนอชื่อคุณคงธรรมเพราะว่าเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการค้าส่งและปรีกในระดับต่างประเทศทั้งในและนอกประเทศนะคะ ที่นี่ก็จะมีหลายคนมีคุณยาดาอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณยาดาอยู่ไหมคะมีคุณปาชัยอย่างนี้ไป็นล้นเป็นเจ้าของกิจการทั้งสิ้นและมีใครต่อใครอีกหลายคนที่รู้สึกว่าตัวเองสนใจที่ช่วยงานกับตลาดก็สามารถยกมือขึ้นได้แล้วเราจะประชุมเป็นระบบเพราะว่ากลุ่มนี้สามารถช่วยงานได้ทุกฐานงานในเรื่องของการตลาดหรือเรื่องอื่นเพราะความเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนและนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องใช้ประโยชน์ของบุคลากรที่เข้ามาในรอบนี้ เพราะแรงงานของวอลบอจึงไม่ใช่เป็นแค่แรงงานทำกสิกรรมเท่านั้นนะคะเพราะเราอยากจะให้เห็นว่าความสำคัญและบทบาทจริงๆก็คือต้องพูดเดรริแมนออนเดรริจอบนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบนี้ขอบคุณค่ะคำถามแรกก็ยังมีคือเราจะยุติการประชุมเรากี่โมงตอนเช้านี้และยุติที่ประเด็นใดแล้วเราจะนัดคุยกันต่อเมื่อไรอเวลาที่อาจารย์จะอยู่ได้อยู่ได้อีก ทําได้อีกกี่ครั้งแล้วไอ้ที่เหลืออาจารย์จะเหลือกี่ข้าบที่จะต้องทําและเวลาที่เหลือหน้าจะได้มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ในแต่ละฐานงานให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเช่นระบบการศึกษาเนี่ยถ้ามันไม่เป็นหนึ่งเดียวการขับเคลื่อนที่เราคุยกันแทบล้มประดาตายจะเป็นไปได้หรือไม่ฝ่ายตลาดเนี่ยถ้าพูดกันทีละฐานทีละฐานเนี่ยมันจะจบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะค ะ, ะกสิกรรมเนี่เราได้มีการทํากันนอกรอบแล้วว่าแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเพะนั้นบาเวลาเฉพาะที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์จะทําได้สักกี่ จะจะอยู่ได้ถึงวันไหนแล้วกิจกรรมที่เราควรจะนัดกันกีนก่ครั้งคนที่ไม่สามารถมาได้ในแต่ละครั้งก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้ขบวนการขรับเคลื่อนมันมันต้องต้อ ง, ต, องต้องเสียจังหวะก้าวไปนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากประเด็นไว้ก่อนที่จะคุยกันในรอบต่อไปขอบคุณค่ะใช่ครับที่ที่ปรึกษาขอเสนอนีนะครับเป็นที่ปรึกษาได้ไหมเพราะว่าไฟล์าการตลาดสาคัญที่สุดับ ในช่วงเดือนกรกดาไปถึงตุลานี่ครับ เ, เขานี่ให้ระบายออกเบิดมันต้องปัญหาขึ้นอยู่กับฝ่ายการตลาดแต่การตลาดนี่ผมในประชุมในคณะข้มการชุ่มชนอยู่แล้วครับขอให้ฝ่ายการตลาดนี่ไปคุยกันกับท่านทักบุญมีทีวีบุรภาไม่มีปัญหาข้ามันจะออกทนัดตันทนทัดตัน ผมกับคอสเน้นนะครับนีดีดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอผู้คนคุยเรื่องเขาแสนตันนะนะอันแค่สามอยตันนี่ยังโมไปบมมาเนี่ต้องทบท่วนเจ้าของเองนะว่าเข้าสามารถให้ได้จริงหรือบ่อนะและพวกที่อยากให้เขาแสนตันนี่มาคุยเลยอยากจะรับบุญเนี่ยมาคุยโหลดว่าสิเขาแสนตันแบบไหนเออผมสรุปอย่างนี้เดียวครับเรื่องที่เร่งด่วนนี่จะจบที่จังหวะเก้าถ้า หนึ่งเพชษถามว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทําอะไรก็เดี๋ยวเราควรจะไปทานข้าวละเก้าโมงละเดี๋ยวเวลาทานข้าวทุกคนเราจบแต่ว่าเราได้ข้อเสนอว่าเราจะมีจังหวะเก้ายัางไงก็แบ่งเป็นสระยะแล้วกันระยะเร่งด่วนกับระยะแล้วก็ไปวางต่ออีกทีนึ่งนะครับระยะเร่งด่วนที่ก็คือเรื่องข้าวห0าตันใช่ไหมประเด็นคืออะไรครับ500ตันนี้ที่200กับ300รนะ้อนะอ่าอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวขอที่ประชุมช่วยได้ น้ำจะท่วม500ต่า5ไอไอไอ300นี่นะครับประเด็นที่สองคือร้านตากกับไอน้ำท่วมนี่มันจะมีประเด็นก็ปเป็นเดียวกัน เ, เรื่องคนทำงานคนทำงานนี่เข้าลุยเลยนะครับตอนนี้คนทำงานก็คต ก, ก็ต้องมีสองฝ่ายคือฝ่ายลงสีกับฝ่ายการตลาดที่สคัญที่เพราะว่า ถ้ามันต้องสีเลยแล้วก็ลุยกันตลาดทีนี้ในเรื่องขนข้าวนะคะห้าร้อยตันนี่ก็อยากจะให้สุวรรณได้ลองเสนอความคิดนะคะซึ่งก็ได้เตรียมความคิดไปแล้วว่าจะทำอย่างไรในเรื่องเร่งด่วนอย่างนี้ค่ะเชิญค่ะพอกการครับก็ไปดูแล้วก็เห็นปัญหาของทางขึ้นนะท่านแล้วก็ มีอยู่วิธีหนึ่งก็คือแผ่นเหล็กที่เรามีอยู่นี่มีประมาณแปดแผ่นครับแล้วก็อีกสี่แผ่นเราได้จมน้ำไปแล้วครับแล้วก็ไม่สามารถเอาขึ้นมาได้แปดแผ่นที่มีนี้ก็จะพูดได้เฉพาะช่วงทางโค้งครับช่วงที่โฟลิฟอยู่ช่วงที่โฟลิฟอยู่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นที่บ้านน่าจะเป็นใช้รถทอยครับแล้วเราก็มีรถรถเคนหางปลาที่ว่าใช้ได้ประมาณ สาสี่กระสอบต่อเที่ยวแล้วก็จะเอาฟล์ลิฟต์สองตัวนี้ตัวหนึ่งยกขึ้นยกยกขึ้นลดแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไว้เรียงบนข้างบนโล่งนะครับข้างบนเนินข้างบนเพราะว่าจะใช้ตอนนี้เรามีรถเคหางปลาอยู่สองตัวเราเราเราขอยืงเข้าตัวหนึ่งแต่เริ่มงานนี้ได้ก็คงจะเป็นให้แดดออกครับถึงจะเริ่มเริ่มงานตัวนี้ได้ แต่ที่คนเข้าขึ้นไปได้นี้น่าจะเป็นเครื่องกลหนักนะครับเข้าไปช่วยเพราะว่าผมก็ในฐานะดูแลเครื่องกลหนักแล้วก็มีทีมงานเด็กอาชีวะที่ว่าช่วยได้เออนี่แปดโมงครึ่งไม่เป็นไรครั บ, รบก็ใกล้เดี๋ยวนะครับวันนี้นี่เป็นกิจกรรมหนึ่งต้งเร่งทําใช่ไหมครับใช่ครับอตอนนี้นคือ <นะ S 2> ช่วงเร่งครับเพื่อเพื่อจัดการเรื่องนี้นะครับ ม, มีอะไรไหมครับ ก็คื อ, เ, อ, อเดี๋ยวต้องมีการเสนอขอกําลังแรงงานจากที่ประชุมใหญ่เข้าไปช่วยเรื่องนี้แล้วก็ทําเรื่องนี้นะครับกับเรื่องที่ต้องเข้าไปลุยคือที่ประเพ่เสนอเรื่องตลาดนะครับตลาดต้องรีบเจาะเลย<อ>ใช่ไหมครับสอยลานตา ก, ก็ก็ตอนนี้มันบัด น, นี้มันทําไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องอาศัยโลง่งแดดออกค่ะต้องรอแดดออก ครับแต่ ว, ว่าโรงที่จะจุข้าวได้2 200ตันใช่ไหมครับแล้วอีก300ตันนี้เตรียมหาที่เก็บก็ต้องคุยกันด้วยครับผมปัญหาบ้านนี่ผมก็คิดว่ามันจะบรอย่าครับแต่ปัญหาตัวขลางลุยทีมตลาด เ, เกิดว่าตลาดจากนีไปเดือนสองเดือนนี่ปึ๊บออกไปเลยดีเขาไม่คอ่อยทยอยคิดว่าน้ามันจะบถ่วมไว้ครับเดือนเดือนนี่ เดือนสิงหานี่คิดว่าเดือนสิงหาเนี่ยถาเอาเดือนสิงหานี่เอาถึงถั่วไม้เ่อถั่วไม่ก็ตามแต่เดือนสิงหานี่ให้เข่าออกไปจกักประมาณจากักลอยคื้สองลอยตันเขา่เขากล้องนะครับไอ้ปัญหาบาัณฑปัญหาของอยูช้างเก็บเข่ามันก็ะทย่อยขึ้นมานาสีเ <Yeah. S 1> ยนี่นาสีนี่เข่ามันยังอยู่อยู่ครับผมยังให้ ตลาดมีการตลาดนีไหวที่สุดครับเนยรีบไปหาเลยครับยันนี่ให้ระบายออกเข่าออกไอ้ปัญหาขยะนี่เข่ายันนี่มันมียังรองรับอยู่อยู่นาสียันนี่ครับเอาฝ่ายข้าวแสนตันว่างไงคะมันมีรองรับอยู่ครับเอาเดินมาเอามืออื่นมือพือ้นนี่สีไปได้ตลอดครับแต่บ้านขนเข่าจากช้างเข่าขึ้นข้างบนนี่ถ้าฝนตกขนบ่ได้เออนี่มันไล่ลเรียงแต่เข่าอยู่ในช้างเข่านาสียันนี่ เอาออกมือว่านหนึ่งพวกราเอาขึ้นอยู่ครับ อ, อ, อ, อแ่แปลว่าแปลว่ามีมีสองโจทย์อันที่หนึ่งก็คือตลาดต้องหาให้ได้ทันทีซึ่งก็ไม่ใช่จะได้ทันทีนะอันที่สองก็คือการจัดการแก้ปัญหาเรื่องข้าวไม่ว่าจะสองอันจะเป็นอย่างไรอ่ะ ก็คือสรุปแล้วเราต้องมีการประชุมอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วตอนนี้ถือว่ามีคณะกรรมการเพราะฉะนั้นรายชื่อที่มีอยู่ก็ต้องประชุมและส่วนที่ไม่มีรายชื่อที่ยังไม่ถูกระบุเพราะอาจจะคิดไม่ทันหรือไม่รู้จักว่าเป็นใครสมัครเข้ามาร่วมประชุมเลยก็คือพร้อมเริ่มต้นจัดการเรื่องปัญหาทันทีแต่สิ่งที่อยากจะเคลียร์ก่อนก็คือว่าณวันนี้เราเอาตารางของอาจารย์ในเด็กก่อนเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์ในจะเป็น หัวหน้าใหญ่ในที่ปรึกษาในการที่จะเคลียปัญหาทั้งระบบในฐานที่อาจารย์มาวันนี้และอีกหลายเดือนกว่าอาจารย์จะได้มาทีเนี่ยเราจะถือโอกาสนี้ไหมในการที่ใช้อาจารย์ช่วยเป็นที่ปรึกษาเราในการวิเคราะห์ฐานงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้มองเห็นทิศทางในการแก้ปัญหาให้มันพันไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของวอนบลหรือนโยบายของอระทรงหรือนโยบายที่พ่อครูให้มาเพื่อให้มันมีเข็มทิศเดินทางที่ชัดเจนอย่างเป็นกิจจลักษณะดอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบเรื่องนี้ไหมคะ ถ้าเห็นชอบก็ยกมือแล้วก็จะได้นิมนต์อาจารย์ว่าเดี๋ยวเรามาเช็กกันว่าอาจารย์อยู่ได้ถึงเช้าอาจารย์อยู่ได้ถึงเช้าอาจารย์อยู่ได้ถึงกลางคืนวันที่31คือพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะอาจารย์อยู่วันนี้กับพรุ่งนี้ถึงกลางคืนพรุ่งนี้เช้าอาจารย์เดินทางขึ้นสนามบินแต่เช้าเพราะฉะนั้นเราต้องใช้งานอาจารย์ให้หนักนิดหน่อยแล้วก็ดูแลให้ดีนะคะประชุมบันทียิปเลยกินข้าวเสร็จประชุมเลยแล้วก็ไล่แถวกันมาเลยจะดีไหมคะเออพราะไม่งั้นเราก็พออาจารย์ไม่อยู่เราก็งมโคงต่อไปที่อาจารย์สอนไว้เราลืมดแล้วค่ะ เราทําต่อไม่เป็นไอ้ น, นี่แค่เริ่มต้นนับหนึ่งแค่ลงสีจากลงสีมันจะเคลื่อนย้ายเข้าไปสัมพันธ์กับฝ่ายตลาดแล้วมันก็จะเคลื่อนย้ายไปสัมพันธ์กับฝ่ายการเงินบัญชีแล้วมันก็จะเคลื่อนไปเจอโน่นเจอนี่ฐานเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกฐานงานเกี่ยวหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันคงไม่สามารถจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะฉะนั้นขอมติที่ประชุมของวนนบที่จะเข้าร่วมประชุมกับชุมชนอย่างเป็นทางการก่อนวันที่อาจารย์จะเดินทางกลับคือพรุ่งนี้โอเคไหมคะทางคณะกรรมาการชุมชน อาจารย์กลับเช้าวันที่1เพราะฉะนั้นอาจารย์จะอยู่กับเราวันนี้วันที่สาพรุ่งนี้วันที่31อค่ะมีเวลาแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะในการทํางานเพราะฉะนั้นเราจะไม่เราจะไม่มีโปรแกรมชนิดอื่นใดเลยนอกเหนือจากว่าเนื้อหาที่อาจารย์จะสอนเราที่เหลือแล้วก็ทั้งหมดที่เหลือคือกิจกรรมที่เราจะแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างวนอบและชุมชนไม่ทราบว่ากรรมการชุมชนและวนอบเห็นว่านบใครเห็นด้วยคะและชาวชุมชนกรรมการชุมชนเห็นด้วยไหมคะ เห็นด้วยยกมือคะ่ะก็แปลว่าเราพร้อมจะลุกมือกันนะคะเป็นกิจจลักษณะนะคะจากความรู้ที่เราได้มาในครั้งนี้แล้วทีนี้เราจะเราจะลงมติกันอีกทีว่าเราจะกินข้าวกันเมื่อไหร่คะเราจะตอนนี้ตอนนี้สองโครึ่งเราจะหยุดกินข้าวก่อนไหมคะหรือเราจะประชุมกันต่อกินข้าวตอนนี้ครับขอให้จบตรงนี้นิดนึงไหมครับเพราะว่าการทํางานต้องมีตัวโน้ตไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้นี่เรื่องเร่งด่วนแล้วต้องต้องคล้องต้องขึ้นก่อน ของขึ้นตอนนี้ก็คือว่า500ตันนี่ต้องปรึกษาหรือกั บ, บรนา บ, บ, บกบชุมชนเพราะฟังดูว่า500ตันนี่เป็นเปย่าแล้ว500ตันแท้ระบาย200ได้ก็คือตัวระบายคือตลาดมันก็ไปกันตลาดก็ต้องรีบคุยแล้ว่วาจะหาตลาดไงเพราะพราะถ้าหาตลาดไม่ได้เนี่ยก็จะเอาข้าว200ออก ่ออ่ออดดีกมมมมาาไไไไ้้สชุดทํางานก็ฝ่ายหีพอคือสมัครเข้ามาเลยไงครับพี่เขาถามว่าฝ่ายหีพอต้องมีไม่ประเภทแพ็คของเพื่อส่งรัด<ช>อุทยานตอนนี้ค่ะต้องมีหมดก็คือสรุปแล้วคือทุกคนระดมกําลังเข้ามาถึงแม้จะไม่ถูกระบุชื่อเพราะว่ามันคิดไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าถูกระบุชื่อหรือไม่ระดมกําลังเข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกันเลยค่ะเออเนี่ยของอุทยานสหกร์สั่งของแล้วลายวันเอาของสีออกไปได้เลยที่มีอยู่แล้วแพ็คออกเลยตอนเนี้ย วันนี้คือทุกคนเอี่ยวด้วยว่างั้นเถอะเดี๋ยวเขียนเข้าไปมันจะไม่มีที่ให้เขียนเดี๋ยวผมไปต่อนะครับถื อ, อว่ารับรู้ชะตากรรมร่วมกันนะคะที่เกี่ยวทุกค น, นถึงไม่จะเรื่องเร่งด่วนนี้ก็คือเรื่องข้าวห0าตันนะครับเรื่องเร่งเร่งด่วนที่2ก็คือว่าทํายังไงจะจ่ะการตลาดให้เร็วที่สุดเพื่อระบายข้าวออกแล้วก็เอาข้าวเข้าแต่ในเรื่องถนนการจัด ก, การที่เร่งด่วนก็คือที่ว่าจะเอา เรื่องถนนเข้าไปตอนนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยคนทํางานก็น่าจะเริ่มตอนนี้ผมกําลังจะปรึกษาหลังจากแร่งด่วนแล้วข้อเสนอเหล่านี้มันต้องจัดระบบเป็นระบบ5้ขั้นตอนที่ว่าเนี่ยแต่และด้าน5ด้านด้วยตอนนี้จัดหาทีมงานเนี่ยตอนนี้เราได้ได้แกนท่านใช่ไหมครับเราได้แกนภาษาอีสานเรียกว่าอะไรว่าว่าแกนใช่ไหมครับเราได้แกนคนทํางานได้แกนได้คณะกรรมการแต่ว่ามันต้องได้ทีมเราได้แรงงานที่ต้องระดมอย่างเช่นพวกหีพอต้องระดมก็แล้วแต่แตอนนี้ แกนจะเริ่มจัดหาทีมได้ไหมครับนี่นี่เป็นเป็นจังหวัดต่อไปไหมจะหาหรือกันไหมหาเลยค่ะเอาทั้งหมดที่มีตอนนี้เป็นทีมงานเราหมดแล้วค่ะเราเราเราเราถามขอสมัครใจว่ายินดียกมือไหมคะถ้ายินดียกมือด้วยค่ะว่าเราทั้งหมดเนี่ยค่ะ เ, เ, เป็นทีมงานเราหมดเลยค่ะยกเลยค่ะเราจะแก้นี่คือปัญหาชุมชนที่เราต้องร่วมมือแก้ไขและนี่คือภารกิจของวนบค่ะแต่ต้องแบ่งคุณจะมี2แบบแบบที่โ ho กันค<อ>ือตุ้มโฮมกัน กับแบบที่มีด้านเฉพาะด้านการตลาดด้านบัญชีการเงินด้านลงสีด้านเครื่องยนต์ไมื่งั้นเดี๋ยวจะมันมันเราเราลงรายละเอียดอีกทีตัวปฏิบัติการจริงรก็ได้ครับเพราะนี่เราเสนอชื่อเจ้าตัวอยู่ในยังไม่เห็นหน้าเลยเอาจริงๆคือคนทําจริงรๆนั่นแหละคือคนนั้นครั บ, ค, รบคือประเด็นก็คือว่าแกนแต่ละด้านนี้ก็ไปหาทีมซึ่งระลอกันในบอบอในชุมชนได้นะครับแต่ว่าให้ให้ชัดว่าชัดว่าใครกล้าผิดชอบอะไรอยู่ด้านไหนครับหรือจะรวมกันเป็นตุ้มโหมทั้งหมดได้ช่วยกันอันนี้ ที่ต้องทำอีกอย่างก็คือว่านอกจากแรงงานเราต้องใช้สมองวางระบบเอาคนที่เกี่ยวข้องมาวางแต่ละด้านเพราะว่าอย่างเรื่องการเงินบัญชีบอกว่าแยกแต่ว่าพอแยกแยกไปคนไม่ใช่แยกยังต้องวางระบบใช่ไหมครับเขไม่ได bueno ้วาระบบเป็นอย่างเดียวจะตามไปเรื่องวางระบบค่ะอันนี้จะต้องขอแรงอาจารย์อีกแล้วค่ะก่อนอาจารย์กลับบ้านก็มันมีหลายหลายเรื่องการเงินกับัญชีอาจจะเป็นเรื Adv> ่องใหญ่ซึ่งทีทีนี้ประเด็นประเด็นที่ดิฉันเสนอก็คือว่า ตอนนี้ทุกคนพร้อมปฏิบัติการคําถามก็คือว่าระหว่างปฏิบัติการเรื่องโลงสีหลังจากกินข้าวเสร็จกับที่เราจะตอนกับที่เรานัดกันไว้เดิมบ่ายโมงเนี่ยอาจารย์จะเพิ่มค้าบเวลาว่ากินข้าวเสร็จแล้วเรานัดกันหน่อยไหมเรื่องลงสีแล้วก็บ่ายโมงก็คือทําสวัต่อนะคะแล้วก็หกโมงเย็นก็สวัต่อแล้วมันจะจบไหมในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะได้ลุยงานว<อ>ิเคราะห์ทั้งหมดเลยีเ่เกยข<พ>้องทัเพระบบาเพราะไม่งั้นมันไม่จบมันต้องจบที่อย่างนี้คือได้วันนี้เราเอาจุดอ่อนมาวิเคราะห์ เราก็แก้มันนี่นี่เป็นยุทธศาสตร์หรือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์คื อ, อ, อตอนนี้ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนี่มันต้องตัวตัวคนนี้อยู่แล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะการเงินบัญชีนี่ชัดเจนไ ม, ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วมีคนสมัครช่วยเพิ่มก็ไม่มีปัญหาสามารถเพิ่มได้นะครับไม่ใช่แปลว่ามีแค่นี้นะคะคนที่ไม่ได้ระบุชื่อสามารถสมัครเพิ่มได้เลยเพราะยังจะมีฐานงานอื่นทุกฐานงานที่จะมีผู้ช่วยเพิ่มนะคะผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่ต้องระบุตอนนี้ ก็มีแล้วคุณแรงเพชรนะคะที่ปรึกษาก็มีอยู่แล้วทั้งครอบควรัวรวมทั้งอาจารย์อนเนกฝ่ายการตลาดก็ทั้งหมดที่เหลือไมท่ที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถและพร้อมร่วมมือนี่คือได้ทั้งนั้นเพราะถ้าใส่ชื่อไปก็จะล้นกระดาษนะคะไม่ได้แปลว่ามีแค่นี้นะคะหัวหน้าฐานงานวันนี้เรายังไม่พูดแต่แปลว่ามีทีมงานเกิดขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยคุยนอีกทีว่าใครคือกันแน่ที่จะทํางานส่วนผู้ประสานงานเขาให้ดิฉันเป็ น, นดิฉันก็ทํางานแล้วนะคะตอนเนี้อมผมขอสรุปตรงนี้ต่อเดี๋ยวผมจะ ใ, ให้ตัวแทนนีม่มารายงาน ท่นี้ผมจะขอถามว่ามีความคิดอย่างอื่นที่ผมล่อเป่าก่อนนะครับเพราะเพราะหาทีมงานแ ล, แล้วเนี่ยมันต้อง แ, <ล>แบ่งงา น, งานกนันตัวเองไงคือทุกฐานงานต้องเกี่ยวเดีวยวนะครับ<ๆ>อันนี้เราได้แล้วข้อที่อในเรื่องการจัดระบบงานใหม่เนี่ยตอนนี้อันที่2แต่ละทีมมันต้องวางแผนแล้วจัดระบบเพราะมันต้องทํางานหลายอย่างแล้วอยากขึ้นกับคนอื่นไม่ได้ต้องขึ้นกับตัวเองใช่ไหมครับแต่ละด้านอันนี้อันนี้ใช่หรือไม่แล้วต้องไปวางแผนกันต่อเป็นชุดเล็กๆใช่ไหมครับ เพมันต้องออกมาแผนว่าใครทำทำเมือ่อไหรทําอย่างไรเพราะตอนนี้ลุงเพชรบอกว่าเดินสิงหาเนี่ยข้าวต้องรีบลยุยอย่างเงี้ยหลังสิงหาจะเป็นกันญาตุลาพิจิกาธานวัฒน์มันต้องใส่เวลาใส่คนใส่เวลาใส่กิจกรรมที่จะทําในแต่ละเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็ใส่อะไรครับคําตอบนี่มันต้องใส่เป็นแผนงานทําเมื่อไหร่ทําเมื่อไหร่ทำโดยทำโดยใครครับร่วมกับใครร่วมกับใคร แล้วก็ถ้าต้องใช้เงินกองกลางอย่างถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องเงินใช่ไหมครับจะต้องลงทุนหรือไม่ก็เรื่องเงินมันมันต้องคลี่ออกมาเป็นแผนงานแล้วสิ่งที่เป็นว่าเป็นระบบงานใชะต้องใช้ระบบบัญชีการเงินอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องม า, ม า, มาเชิญเข้ามาเป็นระยะระยะจากภายนอกมนอันนี่คือระบบระบบบัญชีหรือระบบก็แล้วแต่อันนี้ไม่ต้อง ต้องวางแผนกันในแต่ละชุดเล็กๆเองผมผมใช้ไหมครับใช่ไหมซึ่งมันไม่จบวันนี้หรอกมันต้องไปอีกหลาไม่จบทีเพียงแต่ว่าวันนี้วันนี้ที่ต้องการจะจบก็คือวันที่1เราชัดเจนแล้วว่ามีคณะทํางานที่มีตัวตนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วสามารถปฏิบัติการได้ทันทีหลังกินข้าวเสร็จนะคะไม่เกี่ยวกับบ่ายโงที่เรานัดกันทําสวอตนะคะนั่นเรื่องที่1แล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าการขอมติที่ประชุมระหว่างชุมชนกับวนาวเราถือว่าเราแจ้ง ผ่านคณะกรรมการที่เป็นวนบนะคะให้ให้แจ้งว่าถ้าคณะกรรมการชุมชนไม่จําเป็นต้องประชุมแต่ว่าสามารถบอกกล่าวได้ว่าจ้าวว่าอนุมัติให้มาร่วมประชุมกับการหาเรือในการแก้ปัญหานี้ได้ก็ถือว่ามาประชุมกันได้เลยในในหลังกินข้าวนี้ก็ถือว่าเป็นปากการปฏิบัติการร่วมมือกันเลยนะคะเนี่ยถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องได้ทันทีนะคะแล้วส่วนฐานงานอื่นที่มีการตั้งคําถามว่าแล้วมาช่วยฐานงานนี้เหรอแล้วแล้วฐานงานฉันก็มีปัญหาเหรอแล้วจะช่วยฉันไหมช่วย ดีไหมคะอาจารย์เราต้องช่วยนะคะคือยังไงก็คือทั้งวั น, น, นวันนี้กับวันพรุ่งนี้เล็กใหญ่ไม่ใช่ปัญหาทั้งพรุ่งนี้และวันนี้ใช้ใ ช, ใช้ใช้งานอาจารย์ให้เต็มที่เลยอาจารย์ตกลงไหมครับก็ผมอยู่ถึงตามสัญญาครับอยู่ตา ม, ตามสัญญาเช้าวันเช้าวัน <laughs> วันที่หนึ่งกลับแล้วทีนน่จะปรึกษาที่ประชุมต่อครับถ้า น, นี้เป็นเรื่องของแต่ละทีมงานต้องไปหารายละเอียดเองนะค่ะต่อไปก็คงต้องมาเสนอที่ประชุมใหญ่ค่ะเพราะวันนี้เป็น เหมือนกับกลุ่มย่อยเป็นฐา น, านาย่อยเพราะว่าเราชาวศกมีหลายฐานงานมากวันนี้เราพูดาฐารลงซีเท่านั้นเองเป็นตัวอย่างแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ที่ผมบอกว่าใช้การลื้อใช่ไหมครับคือลือ้อลื้อที่เราปรึกษาหารือกันมาเนี่ยก็คือรื้อคนลือบบล้อระบบหรือให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้การสันทานุมาตรจาที่ประชุมใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าคณะนักการชุดนี้ก็ต้องเห็นชอบด้วยชุดใหม่นี้นะครับแล้วก็พ่อท่านคนจะเห็นด้วย นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าท่าไม่ถ้ า, ถ, าถ้าตรงนี้ไม่เห็นด้วย2ก้อนนี้ก็จะไปทําไม่ได้เดี๋ยวมันแตกันใช่ค่ ะ, คะและจากตรงนี้ไปดิฉันขออนุญาตต่ออาจารย์นิดหนึ่งว่าเมื่อเราปฏิบัติการตามที่อาจารย์พูดก็คือกินข้าวเสร็จเราจะมาเจอกันละเพราะนอกจากรายชื่อผู้ที่ถูกระบุไว้แล้วก็คือรวมทั้งหมดในที่ประชุมนี้และคนอื่นด้วยที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมที่พร้อมจะเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาและเมื่อการกแก้ปัญหากําลังเริ่มเกิดขึ้นเราก็จะรู้แล้วว่าปัญหาของโรงสีไปเกี่ยวกับใครบ้าง เช่นไปเกี่ยวกับฝ่ายการเงินบัญชีเราก็คงจะต้องขอเจอฝ่ายการเงินบัญชีไปเกี่ยวกับฝ่ายขายอุทยานบุญนิยมสากลเราก็ขอเจอฝ่ายขายอุทยานบุญนิยมอย่างเช่นตอนนี้ออเดอร์มาแล้วนะคะเนี่ยใครจะถือไว้ค่เนี่ยข้าวกล้องกี่กิลถุงและกี่กิโลจำนวนกี่ถุงยังไมมาแล้วนะคะทีนี้เรามันก็จะไปเกี่ยวกับแผนกยานยนต์เกี่ยวกับแผนกสารพัดแผนกก็คือทั้งหมดเราก็จะค่อยๆไล่ไปทีละบทให้มันครบวงจรอย่างน้อยเข้าคล้าวๆให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นถ้ามันเริ่มมีปรากฏการณ์ที่ดีขึ้นเราก็จะ อันเชิญหรือว่าเชิญอาจารย์มาในรอบต่อไปว่าอาจารย์จะให้เวลาเราอย่างเร็วที่สุดเมื่อไรที่จะเป็นการนัดหมายครั้งต่อไปและระหว่างนี้เราจะขออนุญาตหาเรืออาจารย์ทางโทรศัพท์ในการทํางานบางทีก็สไกากันด้วยก็ได้หรือแค่ส่งเสียงอะไรด้วยวิธีไหนก็ช่างคือขอเห็นหน้าอาจารย์แล้วก็พูดคุยกันในการแก้ปัญหาด้วยมันจะเป็นเช่นนั้นจะได้หรือไม่คะได้ครับขอบคุณครับที่ความถนัดมีนะครับและเวลา แต่ว่าจะเริ่มย้ายเวลาตัวเงมาที่นี่ไม่ไม่เป็นไรไ ม, ไม่เป็นไรคือตอนนี้คือเราจะเริ่มเห็นว่าการแก้ปัญหาของเราไม่ได้ทําแบบลูกทุ่งอีกต่อไปแต่เป็นการกระทำอย่างมืออาชีพแล้วนะคะนี่คือมืออาชีพระดับชุมชนที่จะทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างโมเดลของสังคมโลกเรากาลังจะทําโมเดลของสังคมโลกในระบบบุญนิยมว่ามันควรจะมีพัฒนาการเติบโตและมีการแก้ปัญหาการจัดการภายในได้อย่างไรเพราะทั้งหมดนี่คือประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าที่กาลังเดินทาง ผ่านไปนะคะเอ่อตอนนี้ก่อนจะไปทานข้าวเหลือบดูเวลาแล้วเดี๋ยวคงต้องเลิกอ่ามีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับลงสีไหมครับแล้วลงปุ๋ยเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะครับก็ใช้วิธีแบบนี้ก็ลงปุ๋ยอาจจะคุยกันเองก็ได้ไม่นอกจากลำลองแล้วก็ต้องมีคนเข้าไปคือสรุปแล้คือในที่ประชุมกันเราก็ว่ากันทุกฐานงานดีไหมให้เราเอียวด้วยไหมคะ ถ้าเราเอี่ยวเราก็จะไปกับคุณทุกฐานรือว่างนั้นน่ะนะคราวนี้ขอมันต้องมันต้องทำกันทั้งระเบิดสาสมัครที่ไม่ใช่หนึ่งฟ้าเพื่อจะให้นีจะเป็นหนึ่งและแต่ที่ประชุมนี้เสนอชื่อใครที่อสามาสรุปให้ที่ประชุมใหญ่ฟังครับว่าวันนี้เช้านี้เราได้อะไรเพราะเราทําทํางานกันมาด้วยการระดมความคิดกันใครจะเสนอที่ประชุมใหญ่เดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จตอนบ่ายแล้วก็ไปทํากิจกรรมคน ตอนตอนหลังทันข้าจะมีใช่ค่ะเราจะถามว่าเราจะเจอกันกี่โมงอ่าเราจะใช้เวลากินข้าวกี่ชั่วโมงสรุปเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้หรือไม่ใช่ปอมิ่งก็ได้ใครที่รู้สึกตัวว่าตัวเองน่ยถนัดการสรุปและช่วยกรุณายกมือเนียนใจอย่างเงี้ยก็สรุปเก่งเน้นจี๊น้องนี่นี่ก็สรเก่งพี่ตเนี่ยครรายละอยดชื่อนี้ควรจะอยู่ในคณะกรรมการยกมือได้ค่ะนะครับจะได้ให้ให้ใเป็นการให้ ชาวสศกเห็นว่าเนี่แหละคือตัวตนของผู้เราเสนอเข้ามาทํางานแล้วก็เป็นผู้เปอาโอเคจาหลักบุญนะคะขอบคุณภาษาถูกค่ะภาษาถูครับภาษาถูกค่ะเอาไม่ใช่ตอนนี้ครับเอาตอนนี้ก็ได้สรุปตอนบ่ายนะครับตอนตอนบ่ายแต่เดี๋ยวทานข้าวเสร็จเอาตอนบ่ายก็ได้ทานข้าวเสร็จค่อยมาสรุปให้ที่ประชุมใหญ่ฟังเลยว่าว่าอะไรเป็นไรของที่การคุยเรื่องโรงศีและหาข้อยุติคําถามคือเราจะเจอกันกี่โมงและที่ไหน ตอานี่คือคำถามว่าเราจะไปหรือไม่เราก็ประชุมกันไงเราคำถามคือเราจะเจอกันที่ไห น, น, นเราจะต้องเป็นแม่ของตอนนี้<ร>พ อ, อ, อตอนนี้พ่อแรงเพชรรับออเดอร์แล้วนะคะจากอุทยานตอนนี้จะเอ่อพวกเราก็ยังไม่ทราบว่าเพิ่นจะสีสีละแต่ทีนี้ถ้าเสร็จแล้วเราจึงจะสีใดบอรเราเราเสนออย่างนี้ดีไหม เราไปเจอกันที่โรงสีหลังกินข้าวไปกันหมดเลยให้เห็นสภาพพื้นที่เขาถ้าจริงประชุมที่นั่นเลยเพราะพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวางพอที่จะประชุมกันได้ทั้งหมดนะคะเพราะผู้ที่สนใจและผู้ที่ถูกระบุชื่อแล้วเชิญเกิดกันที่โรงสีข้าวขณะนี้เข้าแพ็กมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราแพ็กได้ค่ะแพ็ก<ะ>ได้นะคะเจอกันกี่โมงเจอกันกี่โมงตอนนี้ขออนุญาตเสริมคะค่ะขออนุญาตเสริมข้าแพ็กไปสากล ไปอุทยา น, นมีแล้วครับแต่ทั้งนีทั้งนั้นด้วยครับแม้ตแต่กะเขาอยู่ในชุมชนนี่ครับเป็นลูกสีใหยนี่ครับผมต้องสีสต็อกไวในหน่อยแล้สีสะลอกไวหลายแต่เขาเอ้าอุทยานเขาเบิร์แล้วขอเท่านั้นเพราะนี้กันบพ่พราะตันนึงมันสีบ่ได้ดครับเป็นลูกสีใย okay, okay. ตรงเนเี่ยเบื้องต้นนับหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้บรรยากาศเราไปเจอกันที่โงรงสีตกลงสิบโมงครึ่งหรือสิบเอโมงคะ 11โมงใช11โมงแต่ว่าเราจะต้องเราจะต้องทําสวท่อบ่ายโมงนะเราจะอยู่ที่นั่นสักหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณหรือ1ชั่วโมงครึ่งเนาะประมาณเราจะพยายามควบคุมเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะเราจะกลับมาตั้งหลักที่นนั่นประเด็นที่หนึ่งนะคะเรามีนัดกันแล้วเรียบร้อยนะคะเรื่องอะไรและที่สําคัญก่อนจากกันในวันนี้ขอถามใจเออจะไปกันยังไงใครจะรับผิดชอบเรื่องเรื่องยานาหนะรถไฟยานาหนะขอ้อจากเจอกันที่ไหนคะ เจอน้าววนว น, นะคะที่นี่นะคะ11โมงล้อหมุน11โมงล้อหมุนนะคะแล้วทีนี้ก่อนจากกันวันนี้ขอถามใจพ่อแรงเพชรกับแม่แรงผาหน่อยเอ้แม่แรงงามหน่อยค่ะอยู่ไหนคะพ่อแรงเพชรช่วยตอบที่ประชุมหน่อยค่ะรู้สึกดีใจหรือเสียใจคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถอดเสียนถอดน้ํำกับดีใจครับขอบคุณค่ะที่นี <สา S 2> คน ข, ขอมาซอยงามออแม่แรงงามแม่มแรงงาม อาช่วยตอบเพื่อนหน่อยว่าแม่แรงงามเสียใจหรือดีใจกับเรื่องราวของวันนี้คะ